ก็คือแยกประเภทพวกเพอร์เจอร์คือเดรานกถาสามสิบสองพูดง่ายๆวันนี้คำพูดที่ไม่อิงอริยสัจไม่อิงสังวรวินัยปหานวินยันยเลยเนี่ยกลุ่มนั้นอะ่ะโดยมากเป็นเพอร์เจอร์เนี่ย เ, เช่นบางทีเช่นเล่านิทานเล่านิทานอย่างเงี้ยเล่านิทานบางเรื่อง อยางสมมตโบราณทัานบอาเช่นเล่าเรื่องพระรัตาอยู่นั่นแหะมหาภารัตาเล่าศึกชิงนางสีดาเนี่ยนะเล่าอะไรคุณช้างคุณแผนพูดอยู่นั่นแหละอย่างเงี้ยกลุ่มเนี่ยเพิ่เจอทั้งนั้นเลยเพื่อเดราชะฉันกถาสาสบสองเรื่องนี่นะจริงไปอินเดียก่อนๆมานี่เพิ่เจอมาหนักหนาอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็อยากจะทําให้เขาหายเหนื่อยมัางให้เขาเขามีความสุขเปลียนบ้างก็พูด วาจาที่มันสนุกสนานไปเรื่อยๆ อ, อ, อย่างงี้<ช>นะฮะซึ่งมันเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่น่าทําอย่างนั้นเลย<ช>แล้วก็เป็นอยู่ในแดนพุทธภูมิไม่ควรทํามากแล<ช>้แล้วคนพูดนะคนฟังหายเครียดแต่คนพูดมานั่งเครียดนั่นนะแต่อนนี่จะหายเครียดไหมกลับมาเครียดหนักกว่าเก่ามันก็มันน่าเห็นใจมากๆนะคนที่ใช้มิจฉาวาจาเนะตอนพูดเนี่ยบางทีมันมีความสุขวันนี้ดูข้อความที่ท่านบอกว่า มูสัตว์นี้ไม่มีการอิ่มด้วยราคะและโทสะมูสัตนะไม่รู้จักอิ่มรู้จักพอกับราคะและโทสะถามว่าเมื่อไม่รู้จักอิ่มจักพอเมื่อประกอบไปด้วยราคะโทสะก็ทําอะไรก็มูสาวาทิสุนาวาจาพุสวาจาสัมผัสตาลาปะเนี่ยนะก็มีอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนไปไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักพอพอสทีไอความโกรธเนี่ยนะมีน้อยคนนะก็บอกว่าพอสตีอกุศลวิตตก นัน้อยนักเมื่อไหรจะเลิกคิดถึงทรัพย์สินสักทีหนึ่งเบื่อเต็มทีแล้วอย่างเงี้นะเมื่อไหรจะเลิกคิดถึงวัตถุกรรมทุกชนิดเลยเบื่อเต็มทีแล้วนั่นน้อยนักนั่นแหละอาจจะมีอยู่บ้างเป็นเวลาผู้การก็มีเป็นเวลาแล้วก็โดยทั่วๆไปเป็นอย่างนี้ท่านพวกกลุ่มอาศักดอักุศลเนี่ย น, นะพวกมิจฉาวาจาเป็นต้นเนี่ยโดยเฉพาะพวก ปิสุนาวาจาเนี่ยนะถามว่าทำอะไรได้บ้างรูงม้มสังฆเภทอนอันตรยกรรมเลยนะพุทวาจาก็คำสั่งฆ่าเป็นต้นคำสั่งให้ไปลักทรัพย์ให้ไปทำบาปทำอากุศนี่นะพวกนี้ก็เป็นกลมพุทวาจาถ้าคำพูดเพิเจอล่ะไม่รู้พูดทำอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ไประโยชน์อะไรสักอย่าง ผู้ที่ใช้วาจาเหล่านี้เนี่ยนะบาปบาปบาปมากๆเลยอย่างเช่นพระพรโกกาลิกะใช่ไหมไปส่อเสียดพระพุทธเจ้าให้แตกจากภาษารีบุตรซะก็คือไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าภาษารีบุตรนี่เลวมากนเนี่ยนะภาษารีบุตรเป็นผู้ทูศีลเป็นต้นเนี่ยนยแะแในที่สุดท่านก็ตกนรกเป็นเรกว่าใช้วาจาเยี่ยงเจาะทั้งคนที่เสียหายในโลกนี้ส่วนใหญ่นะอยู่ในมิจฉาวาจา คนที่ได้ดีในโลกนี้นะคือพวกที่อยู่ในดำรงอยู่ในสัมมาวาจาเพราะว่าพวกนี้ถ้าใครไม่เวนนะไม่เวนเนี่ยเป็นประโยค่วิบัตินี่นะประโยค่วิบัติถ้าพวกงดเว้นประพูดตามนี้ดีเป็นประโยคนสมบัตินนะเราก็มาดูว่าเราวิบัติหรือสมบัติมากกว่ากันก็ดูเช็คได้เลยว่าควรจะเจริญหรือควรจะเสื่อม แต่ทีนี้ถ้ามันก็แล้วแต่นะถ้าเอาแก้วแหวนเงินทองเป็นประมาณอาจจะสมบัติในตอนต้นอาจจะวิบัติในตอนท้ายมูสาวาตปิสุณาวาจาจนได้สดังในตอนต้นใช่แต่อาจจะเสียทรัพย์ในตอนท้ายช่วงนี้สนทนากระยมคนหนึ่งบอกว่าโยมช่วงนี้ไม่ต้องคิดเก็บเงินเก็บทองหรอกเพราะว่าทํำมาเยอะแล้วเนี่ยนะ เนี่ยไม่อดตายก็ดีแล้วนะทำบาปไปเยอะแล้วเหมือนนจะทำใจไว้เลยเพราะว่าเครื่องมือของของทำบาปเนี่ยก็มูสาวาทปิสุณาวาจาสัมผัสพลาปะเพอเจอร์เนี่ยนะพันต้องรู้จักโทษของความคำพูดที่วิบัติกับเห็นอนนีิสงเห็นคุณของคำพูดวิบัติมันพระองค์บอกว่าให้ละคำพูดเหล่านี้ทั้งหมดซะ ละคําพูดกลุ่มนี้นะมูสาวาตปิสุณาวาจาพุชวาจาสัมผับปลาปะเดตะฉานกะถาสาสิบสองเรื่องให้ละให้หมดทีนี้ถ้าเธอจะพูดพูดอย่างนี้ะนะพูดคําสัต์คําจริงพูดมีหลักมีฐานพูดมีที่มาที่ไปพูดให้คนสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันะนะส่งเสริมคนที่สมัครสมานสามัคคีการยินดีร่าเริงบันเทิงร่วมกับคนที่มีความสมัครสมานสามัคคีกัน ถ้ากลุ่มไม่สามัคคีเนี่ยนะเข้าบริษัทไหนแตกบริษัทนั้นแปลว่าเข้าพวกไหนนะพวกนั้นแตกหมดถ้าศีลไม่ดีเนี่ยนะมีบริวารบริวารก็แตกมีครอบครัวครอบครัวก็แตกแยกอย่างอะไรนะในเทรีคถาอิสิทาสีเทรีคถาเนี่ยอดีตชาติไปเป็นเมียน้อยเขาเมียหลวงนี่คนดีคนดีเสร็จแล้วก็ไปส่อเสียดให้ผัวกับเมียหลวงเนี่ยแตกกัน ผู้สะจนสสามีภระยาเขาแตกกันเมื่อเขาแตกนะตัวเองได้ผัวสามคนเนี่ยผัวหนีหมดเลยผัวทิ้งหมดเลยในชาติหลังเนี่ยนะรับใช้ผัวเยี่ยงทาดผัวก็ไม่ต้องการเขาบอกว่านี่นะบ้านหลังนี้ถ้า น, นางคนนี้อยู่ฉันไม่อยู่นะเขาเขาเอาขนาดนั้นเลยถ้าถ้ากรรมประเภทส่อเสียดมันให้ผลเนี่ยนะก็มีมี ม, มีมีอะไรก็แตกแยกแบบนั้นนมีลูกลูกก็พลาดพรากันมีอะไรก็แตกแยก ทำให้เสียหายโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะเป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่มีลูกน้องฟังอมือนันแหละทีนี้มาดูข้อต่อไปว่าแล้วผู้ที่จะใช้สัมมาวาจาดีเนี่ยพูดอะไรเนี่ยนะพระองค์ก็สอนนะถ้าอจะพูดให้เธอพูดกระถาวัตถุสิบกระถาวัตถุสิบนี่แปลว่าเรื่องที่ควรพูดที่สุด เนี่ยนะหนึ่งก็ถาำว่า ด, ด้วยการมักน้อยสองสันโดษสามไม่คลุกคลีสี่วิเวกห้าปรารบความเพียรเนี่ยนะก็หก หกถึงสิก็คือศีลเป็นต้นเนี่ยนะศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนี่ยนะคือคําพูดที่เป็นคําสัตว์คําจริงคําพูดที่สมัครทําให้คนสมัครสมานสามคัคคีปรองดองส่งเสริมคนสมัครสมานเป็นคําชาวเมืองอพูดอิงอัดอิงทำอิงวินยัยเป็นต้นเนี่ยก็คือคําพูดประเภทกระถาวัตถุสิบนั้นกระถาวัตถุสิบนี้จึงไม่เป็นคําพูดที่เป็น วัจีทุจริตเนี่ยนะอย่าลืมนะวาจาเหล่านี้ใครใช้ไม่ดีเนี่ยอย่าว่านิพานเลยอบายยังข้ามไม่ได้เพราะบางกลุ่มเขาเขาต้องการนิพานแต่ว่าไม่ละวัจีทุจริตเนี่ยนะ ถ้าน อ, อยากกะพูดแต่แบบสะสมความเป็นสัตว์ในไม่ใช่มนุษย์ก็ดิเรชา น, นี่แปลว่าพวกไปตามขวางคำพูดใดที่เป็นติระชันกระถาคำพูดนั้นขวางขวางอะไรขวางสวรรค์กับขวางนิพพานขวางสวรรค์ขวางนิพพานน้เหลือที่ไหนแล้วกันนี่เหลืออะ คำพูดมักน้อยอเรียกว่าอปิจักถาอปิจักขาเนี่ยนะกฐาว่าด้วยการมักน้อยมักน้อยในที่นี้เนี่ยหมายความว่าเอาถ้าใครฟังไม่ดีน่จะตําหนิพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี่เป็นพระพุทธศาสนาที่ประกาศาโทษของของอะไรมหาพูด อนแบบชั้นห ย, ยาบๆก่อนเลยนะว่ามหาพูดเลวร้ายมากอ่ามหาพูดเป็นยังไงถ้าใครเจริญธาตุกรรมฐานมาดีใช่ไหมมหาพูดหนึ่งมหาหลอกลวงมหาหลอกสองมหาบริหารสามมหาวิการอันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะมหาหลอกเช่นอะไร เรียว่าเหมือนยักษ์ผู้หญิงยักษ์ผู้ชายเนี่ยนะยักษ์นี่มันหลอกไนงะมันมาโดยรูปต่างๆเพื่อจะหลอกเพื่อจะหลอกให้ให้มันเสียหายใช่ไหมมหาพูดก็เหมือนกันมันหลอกมันไม่ได้สีขาวมันก็บอกว่ามันสีขาวมันไม่ได้สีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงมันมันหลอกเป็นสีขาวสีเหลืองสีดําสีแดงไปต้นเนี่ยนะมันหลอกเพราะเบื้องหลังของสีเสียงกลิ่นรสเป็นอะไรเป็นมหาพูดเบื้องหลังของอุปาทายรูปทุกชนิดนี้คือ มหาพูดฉั้นมหาพูดเนี่ยนะมันไม่ได้สีเขียวหรอกแต่มันประกาศให้มันมันดูเขียวได้อะ่ะมันไม่ได้สีเหลืองไม่ได้สีดําไม่ได้สีแดงมันต้นเนี่ยพวกนี้เป็นมหามหาพูดแล้วเช่นมหายักษผู้ชายเนี่ยนะกับยักษผู้หญิงเนี่ยที่มหาหลอกมันหลอกกันไปหลอกกันมาผู้ชายหลอกว่ายังไงผู้หญิงหลอกว่ายังไงก็ไปคิดเอานั่นก็เรียกว่ามหาหลอก ต่อไปเนี่ยนะเมื่อหลอกสำเร็จก็มหาบริหารนั่นะมหาบริหารแปลว่าดูแลใช่ไหมดูแลเนี่ยนะกตั้งกับคุณวิลาวันมีมหาพูดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมหาดูแลขนาดไหนมหาบริหารอันนะทานข้าวอย่างน้อยวันละสามมือ้อ ให้นอนตามการให้ลุกตามการให้เดินตามการให้นั่งตามการหลับตาลืมตาตามการบริหารให้มันเหมาะสมอาหารต้องเลือกต้องผ่าก็ต้องใช้แบบนั้นแบบนี้เนี่ยนะถามว่าบริหารขนาดไหนอ่ะก็สะสมมาเนี่ยถ้าใครนั่งนึกถึงว่ามหาบริหารบริหารร่างกายตัวเองเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนมหาบริหารทีนี้บางคนเนี่ยมหาบริหารไม่บริหารคนเดียว มีหนึ่งแล้วก็บริหารเป็นสองบริหารเป็นสเป็นสเป็นห้าบางคนก็ตั้งบริษัทมหาบริหารเนี่ยนะมีสี่มีห้าสบมีเจดสิเนี่ยนะก็สมัครเป็นใหญ่เป็นโตจะได้มามหาบริหารมหาพูดนะครับก็มีมากก็มหาบริหารมากอันมหาพูดก็มหาบริหารมันต้องดูแลมันเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยนะ ถูกหลอกเสร็จแล้วก็มาหาบริหารกันนะงบริหารกันกลับไปบริหารกันกลับมาอยู่นั่นแหละไม่เชื่อถามอาจารย์เกต ด, ดูว่าบริหารแค่ไหนนั่นนะตอนแรกโอ้อยากได้บ้านมากเลยนะดีใจมากจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองเสร็จแล้วก็ได้จริงๆรงนั่นนะก็ได้จริงๆบอกต้องหลังโตหน่อยนะแล้วก็แชดเดียร์คดีทีนี้ก็มาหาบริหาร ย่งร่างกายของเรานะถ้าพูดถึงภายนอกนี่มันก็บริหารจริงๆแหละถ้าภายในด้วยต้องให้เดินตามการให้ลุกตามการผู้การบอกว่าต้องลงต้องต้องถูกลงโทษด้วยนะจริงจะอยู่ดีว่างั้นต้องไปออกกําลังกายต้องไปทรมานตัวเองเช่นพวกดักตัวเองเนี่ยนะก็คือทรมานตัวเองนะถ้าถูกทรมานแล้วจะมีความสุขยันเออเอาดิมันเรียกว่ามหาบริหารกระบวนการรักษาส่วนใหญ่ก็คือมหาบริหารนนะมหาทรมานด้วยในขณะเดียวกัน มหาวิห า, เ, าเสร็จแล้วถามว่ามีใครบริการสําเร็จไหมทัานมหาวิการแปลว่ามหาพิการแปลเป็นไทยๆว่ามหาพิการถามว่าอะไรมั่งไม่พิการไม่เสียหายดูแล ข, ขนาดไหนก็ตามสิ่งนั้นมีความเสียหายเป็นที่สุดบ้านจะเช็ดขนาดไหนก็ตามเนี่ยนะในที่สุดพังเป็นที่สุดผุเป็นที่สุดนันก็เรียกว่ามหาพิการร่างกายเนี่ยนะ ดูแลอย่างดีเยี่ยมเลยนะเสร็จแล้วก็มหาธิการไนะบอกพร่องเสียหายในที่สุดตายจนได้ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องมหาบริหารเนี่ยนะสมมุติว่าอาชีพทหารเนี่ยใหม่ๆก็ให้หัดปกครองคนประมาณจักสิบคนก่อนอย่างเราเนี่ยนะต่ำสุดเนี่ยนะจะเป็นนายเขาเนี่ยดูแลคนสิบคน1ิบคนสิบสองคนนี่นะ พอขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นในร้อยนะร้อยตีเนี่ยก็ให้ดูแค่ถ้าไม่เกินสามสิบถึงห้าสิบคนนั้นน ะ, ะพอสูงมาเป็นผู้กองหน่อยก็ให้ดูแลกองร้อยนี่นะฮะก็มีสักร้อยกว่าคนพอเป็นผู้คับของพันนี่หลายร้อยแล้วนะหกเจ็ดร้อยคนเนี่ยนะฮะพอสูงขึ้นไปอีกนีก็ดูแลเป็นเป็นพันพัน ะ, ะสูงไปก็เป็นหมื่นใช่ไหม ดูเป็นร้อยตั้งแต่สิบคนร้อยคันพันค น, คนหมื่นคนนี่นะครับถามว่าดูอะไรมาครับอาหารนะเขาต้องให้เขากินนะครับพวกนั้นนะครับมันรู้หามาได้ไงก็แล้วแต่เนือแต่ตัวเองต้องเขาไปเกี่ยวข้องหามาเสื้อผ้าเขานะครับเสื้อผ้าเขาแล้วเขาจะป่วยไข้นะฮะแล้วเขาจะต้องกินอยู่เขาจะต้องออกกําลังก็ต้องฝึกแล้วลูกเขาเมียเขาต้องเขาไปดูด้วยนะ เพราะฉะั้นว่าดูแลตั้งห้าร้อคนเล้าก็ไปดูสักพันห้าร้อยคนกันนะครับแล้วเรื่องทีงนี้ต้องผางเข้ า, ขามาหมดแล้วครับเนี่ยนะครับมันยิ่งกว่ามหาบริหารดีครับมหาคับแคบเลยกัน น, ยยนี่เมื่อเมื่อพุทธศาสนานี่กล่าวถึงโทษของมหาพูดว่าเสียหายเลวร้ายขนาดเนี่ยคำพูดเบื้องแรกก็บอกว่าต้องรู้จักมักน้อยเนี่ยนะมักน้อยในการสแสวงหาเนี่ยนะ มักน้อยในการรับมักน้อยในการบริโภคเนี่ยนะให้ให้เหมาะสมนะมีการสแสวงหาที่สมควรเพราะจะได้เอากิจไปเจริญอย่างอื่นเนี่ยนะเพราะว่ากล่าวถึงพิษภัยของมหาพูดโดยประการทั้งปวงก็จะได้กล่าวถึงสิ่งที่มันเป็นสาระที่สุดคืออย่าไปวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปเนี่ยนะ ก็มาหาบริหารเนี่ยนะของมาอุยมีบุญจริงๆดีใจที่ไม่ได้เป็นเจ้าวาดดีใจมากๆเลยนันก็นั่งกลุมขมับนั่นทีนี้มันก็ต้องรู้จักประมาณในการสแสวงหานนะสแสวงหาปัจจัยสี่เนี่ย น, นะพวก ปัจจัยสีก่ก็เพราะมหาพูดมันออกมาในรูปแบบอะไรจีวรนคือเครื่องนุ่งหม่มอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัยเสนาสนะเนี่ยแล้วก็ยาแล้วก็รู้จักประมาณในการสแสวงหาว่าจีวรนเนี่ยสมควรแค่ไหน อ, ไอาหารควรแค่ไหน ที่อยู่อาศัยเนี่ยแค่ไหนจึงจะเหมาะสมแล้วก็ยยกยาทั้งหลายเนี่ยแค่ไหนจึงจะสมควรอันนี้ก็ถ้าจะพูดคือพูดเรื่องการมักน้อยในการสแสวงหาเนี่ยนะมักน้อยในการรับมักน้อยในการบริโภคนะนี่นะนีต่อไปก็สันโดษนะพูดถึงสันโดษสันโดษมี3ประเภทหนึ่ ง, งนะสันตุทีกถาก็คือสันโดษสันโดษในการ ะยะถาลาภะเนี่ยนะยินดีตามมีตามได้เนี่ยนะยะถาภะยินดีตามกำลังแล้วก็ยะถาสารูปะยะถาสารูปถ้าท่านบอกว่าตามสมควรเนี่ยนะยะถาลาภะก็คือยินดีตามมีตามได้คื อ, ค อ, คอได้แค่ไหนก็ ก็ควรจะดีใจในเท่านั้นยะถาภรละก็คือให้รู้จักกำลังของตัวเองรู้จักกำลังของตัวเองว่าตัวเองนั้นมีกาลังแค่ไห น, นนะแล้วก็สารูปะก็คือตามสมควรหรือเหมาะสมถามว่ายะถาลาภะยะถาภละยะถาสารูปะนี่กับอะไรบอกว่ากับปัจจัยสี่ มันสันโดษ3คูณปัจใจสเท่ากับ12เาเรียกว่าสันโดษ12ถ้าจะคุยกันก็คุยกันเรื่องสันโดษ12สนะสันโดษตามได้เนี่ยนะก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ผ้าแค่ไหนได้อาหารเท่าไหร่ก็ให้ยินดีแล้วก็ได้ที่อยู่เนี่ยนะเสนาสนะได้ยายังไงก็รู้จักยินดีตามที่ได้ แต่ทีนี้ถ้าได้มาแล้วไม่สปายะจริงๆก็ให้รู้จักกำลังของตนว่าตนเนี่ยมีกำลังแค่ไหนอะไรยังไงแต่ที่สำคัญมากก็คือตามความสมควรและความเหมาะสมบางคนเนี่ยห้าพผ้าไม่มียี่ห้อใช้ไม่ได้นนะจะตายให้ได้เลยพวกนี้แหละเรียกว่าไม่ยไม่รู้จักความตามสมควรอะไร เชื่อไหมบางคนในฐานะไม่ค่อยดีแต่ผ้านี่มียี่ห้อเต็มไปหมดเลยบางทีพวกฐานมีฐานะจริงๆกลับผ้าก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกเนี่ยนะก็แค่ใช้แบบใส่สบายๆ บ, บางพวกเน้นเอายี่ห้อเขาว่าเนี่ยนะบางทีก็บอกว่าใช้ของไทยก็ไม่ได้ด้วยต้องของเทพอย่างเดียวเนี่ยนะนนะใช่แล้วก็มีคนหนึ่ง น, นะมันซื้อกางเกงตัวหนึ่งก็ประมาณเกือบเท่าเงินเดือนนั่นแหละ เสลีมก็ไปเที่าายวใสกางเกงแล้วก็กินเหล้ า, มาเมาแอ้เขาก็ถอดกางเกงเอาไป <c oughs> อย่างนี้ก็มีมีในโลกนี้อันพวกนี้ก็คือไม่รู้จักไอไอความสมควรใช่รู้จักความเหมาะสมว่าแค่ไหนมันจึงจะเหมาะสมเรื่องอาหารก็เหมือนกันบางพวกนเนี่ยนะค่าบางทีเนี่ยแค่ค่าอาหารเนี่ยทำงานไม่คุ้มเดือนเลยเพราะกินมากกว่า น, นั้น เพราะว่าไปเลือกกินของที่แพงเพราะของแพงไม่ได้ถือว่าดีเสมอไปใช่ไหเลือกแพงเข้าว่า ก, ก็ไม่รู้จักความสมควรว่าแค่ไหนมันสมควรอดีไม่ดีไม่รู้จักประโยชน์ด้วยอย่างที่อยู่ก็เหมือนกันนะก็เลือกเอาที่อยู่ชนิดที่เรียกว่าตัวเองต้องเดือดร้อนอย่างนั้นอยู่ได้ไม่นานต้องกระเจดิดกระเจิงไปหมดเสร็จแล้วก็พวกหยูกยาทั้งหลายก็ไม่รู้จักความเหมาะสมว่าสมควรเนี่ยแค่ไหนเพื่อที่ไม่รู้จักความสมควรในปัจจัย4ี่ส่วนใหญ่ก็ เดือดร้อ น, น, น, นพวกที่ไม่รู้จักไอคำว่าสมควรเนี่ยนะอะไรตามมารู้ไหมหนี้ตามมาหนี้สินเนี่ยนะปัญหาหนี้สินเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนื่องจากไม่รู้จักไอความสมควรเนี่ยความเหมาะสมที่สมัยใหม่ก็เป็นที่คำตำหนิเขาว่ารายได้ต่ารสนิยมสูงเขาว่างัน ก็ลเลยนี่ตินเนี่ยท่วมหัววันก่อนขอเข้ามานี่ฟังแล้วตกใจมากมเลยเขาบอกว่า mm hmm. เฉ พ, พาะภาคเหนือเราบางจังหวัดเนี่ยนะติดนี้ยี่สิบล้านเนี่ยเกินยี่สิบล้านนะแล้วก็ประมาณหกหมื่นคนเนี่ยนะถามว่าประมาณเท่าไหร่ประมาณหนึ่งล้านสองแสนล้านถามว่าถ้า นี่สุดยอดรวมทั้งประเทศควรจะเท่าไรเห็่ไหมนี่บางจังหวัดเท่านั้นนะไม่ใช่ทั่วทั้งประเทศอะไรท่านก็ขับรถเดินเฉียวกันไปเฉียวกันมาเนี่ยใครจะรู้ว่าติดนี้เกินยี่สิบล้านมันก็ถามว่านี้เพราะว่าไม่รู้จักไอความสมควรแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมอย่างครอบครัวที่มีรายได้ประมาณเดือนละพันห้าเนี่ย ติดหนี้ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นเนี่ยนะอย่างสมมติว่าถ้าไปบางภาคเลยนะเห็นบ้านหลังโตๆงามๆมีรถจอดอยู่เนี่ยนะติดหนี้เกินแสนเกือบทุกหลังคาเรือนเลยเกณฑ์เฉลี่ยแล้วติดหนี้หลังคาละห้าหมื่นเนี่ยโอ้เยอะแ ย, ยะไปหมดอันนี้กลุ่มที่แทบไม่มีไรายได้นะติดหนี้กันคนละหลาย ห, ายหายมืน่นเพราะว่ารถนิยมของลูกมันสูงมาก บางทีก็ต้องผ่อนรถผ่อนอะไรให้ลูกเป็นต้นเนี่ยนะแลก็ถ้าไม่รู้จักไอ้คาว่าสมควรหรือความเหมาะสมเนี่ยนี่สินเนี่ยเต็มเสร็จแล้วก็ในที่สุดก็นอนไม่หลับเคยมีลูกน้องเนะี่ยคือพวกระดับต้างล่างนี่นะเขาเวลาเขากู้เนี่ยนะ เขาก็มีไอ้วงเงินกู้เล็กๆออกมาเช่นครึ่งหนึ่งของเงินเดือนหรือว่าหนึ่งเท่าเงินเดือนเลยนี่นะฮะพอกู้ออกมาแล้วนี่นะท่านเชื่อไหมว่าวันนั้นแทบจะหมดไปในวันนั้นไม่ถึงไม่ถึงมือลูกเมียนะฮะผมถามวาเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกแต่ก่อนนี้คนอื่เขากู้มาแล้วก็ไปกินเข้าหมดเลยแล้วตอนนี้เรากู้มาแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาทั้งหมดนั่นแหละเขาแล้วก็ใช้ผ่อนไปเลยหน้าที่ผ่อนไปเลยมันเป็นอย่างนี้จริงๆเขา นี่ยก็เมื่อเมื่อไม่นานเนี่ยที่ก่อนหน้านี้นะอยู่ภาคหนึ่งครูเนี่ยครูครูครูชาวชาวบ้านนอกเนี่ยนะก็เงินเดือนโดยเฉลี่ยก็ประมาณสักหมื่นหนึ่งได้เนี่ยนะหมื่นหรือหมื่นกว่าบาทก็บอกว่ามีสิทธิ์กู้เท่าไหร่ก็คือสรุปว่าผ่อนบ้านได้ก็แล้วกันผ่อนบ้านได้หนึ่งหลังแล้วก็ผ่อนรถกระบะได้หนึ่งคัน บางคนรสนิยมสูงก็รถเก๋งหนึ่งคันนี่เมื่อมีบ้านเนี่ยเฟอร์นิเจอร์บวกเฟอร์นิเจอร์เข้าไปเท่าไหร่เห็นไหมมีรถไปก็บวกค่าใช้จ่ายจิปาถะของรถสรุปเขาบอกว่าเดือนหนึ่งเนี่ยจะเหลือเงินเดือนประมาณเดือนละประมาณสองพเนี่ยนะจากเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับส่งลูกเรียนส่งอะไรอีกต่งางหากนะไม่เกี่ยวก็กเหลือเงินเดือนเดือนละสองพัน แล้วต้องติดนี่อย่างนี้ยี่สิบปีเนี่ยนะจะต้องใช้เงินเดือนเดือนละสองพันถึงสามพันเนี่ยนะยี่สบปีเพราะเอามาใช้เ้าเรียกว่าเอาเงินในอนาคตตัวเองมาใช้ไว้หมดแล้วนนะก็เดือดร้อนไม่ใช่น้อย <c oughs> ก็เล่าให้ฟังว่าเออกลุ่มอาชีพเดียวกันก็มีแต่ก็มีบางคนที่เขาประหยัดนะแต่ว่าแต่ว่า ไม่มากนักแล้วก็สักพักหนึ่งเนฟังรัตโยมาบอกว่าตอนนี้นี่ยตำรวจกู้สองพันกัลลัม <c oughs> เอ้ยร่วมสักสามพันล้านเนี่ยเฉพาะเรื่องบ้านนะเรื่องอื่นไม่เกีย่ยวนั่นก็โทษของวัตานะก็ดกูแลไปคันถ้าไม่รู้จักสันโดษขึ้นมาไม่รู้จักความสมควรเหมาะสมนนะนสนเนี่ยนะนิสิตเนี่ยท่วมไปหมดถามว่าคนมีนี่ท่วมๆเลยเนี่ยถามว่าจะมีความสุขได้ยังไงชีวิตถามว่าเมื่อ น, นี่สินเยอะๆเนี่ยนะตามด้วยอะไรมิจฉาทิฏฐิจะตามมาเนี่ยนะมิจฉาทิฏฐิจะตามมา ปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปเสร็จแล้วก็เพราะอะไรเพราะกามวิตตกจะตามมาอกีกพยาบาทวิตกจะตามมาวิหิงสาวิตตกก็เต็มไปหมดเลยตำหนิโน่นโทษนี่มิจฉาวาจาก็ตามมาเนี่ยนะมิจฉากรรมมันตะมิจฉาอาชีวะก็เต็มไปหมดเลยเนั่นทั้งทั้งหมดเนี่ยพื้นฐาน ของผู้ที่ศึกษาธรรมะไม่ดีหรืออะไรไม่ดีเนี่ยนะคนที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยโอ้โหมากจริงๆเนี่ยนะมากไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยนะเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเกือบเกือบร้อยว่างั้นเถอะคนที่เรียกว่าเสรีชนไม่มีนี่โดยนิดเดียวเนี่ยนะมีไม่กี่คนออกในประเทศไทยก็เราเราต้องคิดดูอีกในหนึ่งนะบอกว่าสินค้าที่เราลืมตามองเห็นนะผลิตในไทยมีกี่ชิ้น ก็นเนี่ยคือเขาบอกว่าทําในไทยล้วนๆเลยนะคือเหล้าน้ําขาวเออนเนี่ยอันนี้ทําของไทยไทยคิดเองสูตรของไทยเนี่ย น, นี่ไทยล้วนๆเลยนะที่เหลือหมดของเพศหมดเลยเนี่ยนะก็ลืมตาดูเนี่ยมีอะไรบ้างไม่มีของเพศปัด บ, บวกอยู่ในนั้นเลยนะถามว่ามันประเทศมาขนาดนี้แนละ้วมันนี่ตินควรจะเท่าไหร่ก็เกณฑ์เฉลี่ยไปเพราะฉะนั้นประชาชนส่วนใหญ่นี่เดือดร้อน เดือดร้อนจนนั่งสบายใจไม่ได้เนี่ยนะนั่งอย่างมีความสุขไม่ได้มันก็ทุกร้อนมากก็ถามคุณว่าแถกการเงินของ ม, มชเป็นยังไงบ้างใช่นั่นแหละก็แนกสเกี่ยวข้องกับเรื่องสตังจะรู้ดีเนี่ยนะ ทีนี้ถามว่าเมื่อไม่รู้จักสันโดษเนี่ยถามว่าทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อการคลุกคลีหนึ่งทัศนะสังสักะเอาไปคลุกคลีใช่ไหมเอาไปคลุกคลีกันหนึ่งเพื่อดูเพื่อเห็นใช่เพื่อเที่ยวสองสวัสสังสักะเพื่อเอาไปฟังสามเพื่อคลุกคลีด้วยการพูดสี่คลุกคลีด้วยการจับต้อง จับต้องสัมผัสเนี่ยนะาอะไรอีกอ น, นะคลุก ค, คลีด้วยการเห็นด้วยการฟังด้วยการพูดด้วยการจับต้องน่าอะไรอีกอันนึงเลยเนะี่ยขาเข า, <ๆ S 1> ขามีถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะคลุก ค, คลีมีห้าอย่างหนึ่งคลัคลุกคลีด้วยการเห็นเออใช่ใช่แลกเปลี่ยน น, นะก็มีอีกข้อหนึ่งก็คือแลกเปลี่ยน นนหนึ่งก็คลุกคลีด้วยการเห็นใช่ไหมพอไม่สันโดดมากมากในพวกนี้ก็จะเอาไปเอาไปให้คนอื่นเห็นบ้างตัวเองจะได้ไปเห็นบ้างสองเพื่อการฟังเพราะนั้นบางอย่างก็ทั้งเห็นทั้งฟังใช่แล้วก็การพูดการคุยนะเดรัจฉานกระถาทั้งหลายก็จะตามมาเต็มไปหมดนี่นะแล้วก็การในที่สุดก็การยสังสักคะเกิดการจับต้องกัน แล้วก็แลกเปลี่ยนข้าวของเครื่องใช้กันเป็นต้นนี่ยนะก็พันเมื่อไม่สันโ ด, ดก็มุ่งไปเพื่อการคลุกคลีเมื่อคลุกคลีอย่างนี้เข้าถามว่ากายวิเวกการอยู่คนเดียวได้ไหมไม่ได้เมื่อกายวิเวกไม่ได้จิตวิเวกจะมีมาแต่ที่ไหนอุปทิวิเวกก็ไม่ใช่ฐานนะเนี่ยนะ พรนิพพานก็ไม่ใช่ฐานะเพราะไม่มักน้อยไม่สันโดษแต่เชื่อไว้ทั้งหมดเนี่ยมันเรื่องมหาพูดทั้งนั้นเลยนะกิจกรรมเกี่ยวกับมหาพูดทั้งหมดเลยเรื่องมักมากก็มักมากในมหาพูดนะถ้ามักมากในนามธรรมเช่นศีลสมาธิปัญญาเขาไม่เรียกมักมากเขาเรียกมักน้อยแต่ถ้าเกี่ยวกับมหาพูดนี้ถือว่ามักมากไม่สันโดดในมหาพูดก็มักมากเห็นมหาพูดมากก็เรียกว่ามักมากฟังมหาพูดมากก็เรียกว่ามักมากเป็นต้นนะ พันธุมกลมเนี่ยเรียกว่าไม่มักน้อยไม่สันโดดคลุกคลีแล้วก็กายก็ไม่วิเวกจิตก็เดือดร้อนตลอดใช่ไหมจิตก็ฟุง้งซ่นานพอจิตฟุง้งซ่านเข้าที่จะเพียรปฏิบัติธรรมมีไหม น, นิพานอ่ะ น, นิปอุปี่ิหมายถึงขัน